วันนี้ก็เป็นวันที่เรานะได้นัดหมายกันมาประพฤติปฏิบัตนะิธรรมะเพื่อจะไปไพัฒนานะจิตใจของเรานี้ให้ดีขึ้นเพราะใจนี่เป็นสิ่งสำคัญนะในร่างกายของเรานะถ้าหัวใจนี่มันหยุดเต้นชีวิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ เพียงไม่กี่นาทีชีวิตนี้ก็จะต้องตายแล้วคือเป็นสิ่งที่สำคัญของร่างกายนั่นเองส่วนในจิตใจนี้ก็เหมือนกันจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะคนเราจะสุกก็สุขที่ใจจะทุกก็ทุกที่ใจเราจรึงต้องมาปฏิบัติธรรมะให้ใจของเรามีธรรมะถ้าเกิดว่าใจของเราเนี่ยนะมีความโลภมีความโกรธ มีความหลงรือท่านเรียกรวมว่ามีอวิชชาตัณหามีอุปาทานนะอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้ก็เป็นอริยสัจอันหนึ่งเรียกว่านะเป็นอริยสัจที่เป็นเหตุให้ทุกนี้เกิดขึ้นเมื่อใจเนี่ยมีอวิชชาตัณหาอุปาทานนะก็จะเป็นสมุทยัยคือเป็นเหตุให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมา คือความโศกความลำไรลาพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนี่ก็เป็นทุกข์แลกเพราะตัวอวิชชาตันหาอุปท า, านที่มีการยึดมั่นถือมั่นในขันห้ายึดมั่นในโูปในเวทนาความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้ไหมยรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้สึก ที่รับรู้ได้รู้สึกเห็นรู้สึกได้กลิ่นริมรสรู้ผลธรระภูรูธรรมบรมหรือได้ยินเสียงเป็นตน้นก็เรียกว่าวิญญาณถ้ารู้ทางตาก็เรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นทางตารู้ทางได้ยินเสียงทางหูก็เรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นทงาท ง, นน ง, ทง ห, าญญางหูอย่างนี้เป็นตน้นนะเมื่อจิตใจเนี่ยมีอุปทานในขันห้า มีอภิชาตัิหามีอุปาทานขึ้นมาแล้วในขันหาก็เป็นเหตุให้ทุกเกิดองค์สมเด็จพระสัสดาสมมาสามุตเจ้าที่องตัสรู้ก็ตัสรู้อริยสัจ4ี่คือความจริงอันประเสริฐ4ประการเรา่วกเราเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็ไม่ต้องการความทุกข์นะไม่ต้องการความโศกความร่าไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจความพัดภาคจากของรักของชอบใจไม่ต้องการปรารถนาสิ่งใดก็ต้องการสิ่งนั้นปรารถนาแล้วไม่ได้ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาก็ไม่ต้องการนั่นท่านทีฆนาการพามนี่ก็มีความเห็นมีความเห็นในใจของเขานะเป็นท่านทีฆนาการพามนี่เป็นหลานของพระสาริบุตรมีความเห็นว่าสิ่งใดที่นะควรแก่ ตัวเองแล้วเขาก็พอใจในสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ควรกับตัวเขาเขาไม่ต้องการเลยเออเพราะฉะนั้นเขาต้องการแต่สิ่งที่มันถูกใจสิ่งที่ไม่ควรได้รับแล้วเป็นทุกใจเขาไม่ต้องการต้องการสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกใจอย่างเดียวแต่ภาหมณ์นี่เขาก็มีความคิดเห็นว่าเออคนเราเกิดมามันก็ตายแก่เจ็บตายกันมากมายเหลือเกินนะนะเออ เอาไปฝังกันไว้ตามป่าเขาขึ้นไปบนภูขเขาดีกว่าก็เลย ข, ขึ้นไปบนเขาคิจกุตแขวงเมืองราชะคึกนั่นเององค์สมเด็จพระา ศ, าศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็ประทับอยู่นะที่เขาคิจกูตตอนนั้นพระองค์ก็มาอยู่ที่ถ้ำสุครขาต า, าถึงพระสรีบุตรบำรเพญอยู่ในถ้ำนี้พระสรีบุตรเทรเจ้าอัครส า, าวกเบื้องขวาก็ถวายงานพัดอยู่ าาพระสารีบุตรเทระเจ้านี้นะท่านได้มีคุณธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วที่เป็นพระโสดาบันก็เพราะฟังธรรมของท่านพระอัสสชิเถระนั่นเองว่านะเยธรรมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุองตถาคตังนี่เลยย่อก็หมายความว่าทำทั้งหลายเนี่ยนะทำทั้งหลายนั้ น, ะททนมีเหตุนั่นแหละเป็นแดานเกิดพุทธเจา้าก็ตัดทั้งเหตุของทำทั้งหลายนั้นและความดับไปของทำทั้งหลาย ก็คือทำทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยมีการเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ได้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราสังเกต ด, ดูก็ได้นะมีวัตถุสิ่งของ ข, องขึ้นมาชิ้นหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วที่เขาสร้างขึ้นมาหรือขึ้นมาตามธรรมชาตินะเช่นต้นไม้ภูเขาอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมาเช่นสาราโกติวิหารตึกรามบ้านช่องเป็นต้น เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความตั้งอยู่ตามอายุไขของเขาถ้าไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายทำลายเขาก็มีอายุไข ข, ของเขาร้อยปีก็ต้องผุพังไปตามการตามเวลาแล้วเพราะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นสังขารปรุงแต่งขึ้นมารวมกันขึ้นมาแล้วก็ต้องแตกสลายไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้แหละ มีอายุการใช้งานพวกเราก็ทราบพอดีวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็มีอายุการใช้งานต้นไม้แต่เติบโตขึ้นมาต้นหนึ่ง ต, นะต้นเล็กๆนะแต่ในที่สุดแล้วก็มีอายุนะร้อยปีบ้างพันปีบ้างก็มีแต่ในที่สุดก็จะต้องตายเหมือนกันนะเป็นธรรมชาติอย่างนี้คือถ้าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นมาแล้วนะตั้งอยู่แล้วเพราะมีเหตุมีปัจจัยในะที่สุดก็ต้องดับไป เป็นธรรมดาอย่างนี้เองนะปฏิธรรมทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดทำทั้งหลายรูปปฏิธรรมนามปฏิธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้นในะร่างกายของเรานี้ก็มีเหตุเป็นแดนเกิดก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุหมดปัจจัยนะธรรมนี้ร่างกายนี้รูปปฏิธรรมนี้นามปฏิธรรมนี้มันก็แตกสลายหรือว่าดับไปกนะ็เป็นธรรมดาอย่างนี้ พระสารีบุตรพระเทพราเจ้านี่พิจารณาที่ท่านพระอัจชีเทระ เ, เทศนายฟังโดยย่อโดยสังเขปก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและนำรมที่ได้บรรลุแล้วนี่ไปบอกพระมหาโมครณะอครส า, าวกเบื้องซ้ายในตอนนั้นยังเป็นลูกศิษย์ของสัญชัยวริภาโชกอยู่ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันพราะท่านสร้างบารมีมาเป็นคู่กัน เป็นอรหัสาวกเบื้องขวาและก็บรองซ้ายของสมเด็จพระาศาสด า, าสมมาธรรมรุจ้าของเราส่วนพระพะมหาโมครายนันน์บำเพ็ญปฏิบัติแค่7วันก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่พระาศารดบุตรพระเท琉璃เจ้านี่เป็นอรหัสาวกผู้มีปัญญามากมีการคิดมีการพิจารณาอย่างละเอยียดถี่ถ้วนนะยังไม่ได้บรรลุอะไยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ แต่ในวันนี้นั่นแหละที่ขนันทกพาลขึ้นมาบนเขาขีกูนี่จะมาหาที่ที่ยังไม่เคยมีใครตายนะจะมาสอบถามดู่วมาศึกษาดูในเขานี้มีใครตายมัหรือยังพอมาพบพระรพุทธเจ้าข้าพสารีผุดนนะั่ะพระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอขึ้นมาบนเขาเนี่ยมีวัตถุประสงค์อย่างไรในประเทศอินเดียเมื่อเจอกันแล้วก็ต้องสอบถาม อสอบถามความเป็นมาซะก่อนนะทันทีคณากาารพามก็บอกว่ามาที่นี่ต้องการที่จะมาหาที่ที่ตัวเองจะตายเออหาที่ตัวเองจะตายนะแต่แล้วพระพุทธเจา้าก็บอกว่าในที่นี้เนี่ยเธอเคยมาตายหลายครั้งแล้วนะเออเคยมาตายหลายครั้งแล้วไปอย่างนั้นนะพามเนี่ยเป็นหลานของพระสารีบุตรก็ย่อมมีความศรัทธาอยู่ลึกๆ ในองคสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเร า, นานและองค์สมเด็จพระศาสดาพสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เป็นอาจารย์ของพระเจ้าพิมพิสารที่เป็นกษัตริย์มืองราชะเคยอีกแถมคณาจารย์ทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าของเราจะเป็นจํานวนมากเลยโดยเฉพาะพระสาราีบุตรพระคราส่าวงมังขวาก็ยังเป็นลุงของท่านทีคณกัาพามท่านทีคณะกัาพามก็จะมีความนึกใสก็มีความเชื่อ ว่าเราเองเนี่ยโอ้เคยมาตายหลายครั้งแล้วที่นี่จึงสลดสงสัยว่าโอ้ชีวิตการเป็นว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารสิ่งที่ทำให้เรามาเป็นทุกทุกภพทุกชาติก็ตัวอุปทานตัญหานี้พาระะเรามาเวียนว่ายตายเกิดมีสุขน้อยมีทุกข์มากเหลือเกินการมาตัญหานี้จึงมีความสุขน้อยมีความทุกข์มากมีความทรมานในจิตใจมาก พาเราเวียนไหวตายเกิดพบแล้วพบเรานะไม่หยุดยั้งเลยเกิดในแอบยพภูมิเกิดเป็นเทวดากะพักทุกข์ขั่วข่าวเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความสุขน้อยมากเมื่อกิเลสนี่มันมีกําลังแก่กล้ามากขึ้นมันก็จะชักนําจิตใจของเราตกไปสู่อบยพภูมิไปเสวยความทุกข์ในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจำนวนมากเต็มไปได้วยความทุกข์ กว่าจะพ้นมาจากอาวัยภูมิได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ mm. ก็ยากนักยากหน า, าพรามทั้งคงจะพิจารณาไปถึงโทษถึงภัยของอวิชาตันหาอุปทานนี้ที่ทำให้ท่านต้องมาตายนะมาเกิดมาตายมาเกิดมาตายฉเฉพาะในที่เดียวที่เขาคุยจกูดก็นับพบนับชาติไม่ถ้วนมาเกิดมาแลวก็มาตายหลายครั้งแล้วจึงสลดสเวทใจว่าเจ้าตันหานี้เนะี่ย มันไม่มีวันอิ่มบรรพอเลยพระพุทธเจ้าก็เคยตัดแล้วว่านัติตัณหาสมาณทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานั้นไม่มีนะเราจะทำให้ความรู้สึกพอด้วยการสนองตัณหานั้นมันไม่มีวันที่จะพอได้นะมันจะมากขึ้นมากขึ้นขยายไปมากขึ้นเป็นธรรมดาเหมือนไฟไม่อิ่มเชื้อชั้นใดก็ตามนะจิตใจของเรานี้นะถ้ามีตัณหาแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใจของเราอิ่มได้เลย เพราะฉะนั้นที่พวกเรามาปฏิบัติบําเพ็ญกันในเดือนละหนึ่งครั้งมาปฏิบัติมาถือศินห้ามาถือศินแปดบำเพ็ญอุโบสถศีลจึงเป็นแนวทางที่เราจะยับยัง้งเอาวิชาตัณหาอุปทานที่มันมีอยู่ในใจของเราให้มันลดน้อยถอยลงไปถ้าเกิดว่าเราไม่ปฏิบัติไม่ามาภาวนาอย่างนี้นะปล่อยตามอํานาจของเอาวิชา ตัณหาอุปทานแล้วมันจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อวิชาตัณหาอุปทามันมีมากขึ้นมันก็ทําให้ใจของเรามันทุกข์มากขึ้นนะใจของเรามันกิดเดือดร้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมความโกรธมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราสะสมความโกรธก็กลายเป็นความพิยบาติปองร้ายด่ากันก็มีฆ่ากันก็มีทุบตีกันก็มีทําร้ายกันเหยียดฉาริษยาสึงกันและกันอย่างนี้แหละ ไม่ได้คิดว่าเราเกิดมาในโลกเป็นเพื่อนร่วมเกิดนั้นเราก็จะแก่ร่วมกันความแก่ก็ทุกคนก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเราก็จะมีความเจ็บจากสังขารร่างกายที่มันเสื่อมสิ้นไปทุกคนก็เต็ ม, มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นในที่สุดแล้วทุกคนก็ตายเราก็ตายเขาก็ตายสัตว์ก็ตายนะทุกคนเกิดมาก็ตายเช่นนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายร่วมสุขร่วมทุกข์กันอย่างนี้แหละ คําว่าสูงนั้นก็คือทกขที่มันน้อยลงไปนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาโกรธกันทําไมเราจะมาพยาบาทกันทําไมมาปองไล่กันทําไมเนี่ยเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมคราอนี้ปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันก็ไม่ง่ายง่านยะอย่างเราอยู่เมืองไทยจากบ้านจากระยองก็เข้ามาวัดเนีก็ไม่ไกลเท่าไหร่นี่บางทีพระเจ้าประสงค์ท่านข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากเมืองนอกเมืองนาก็มี มาเป็นพระเข้าหกเดือนมาเป็นสมณีน อ, อีกบางทีจิตใจก็คิดถึงไปถึงบ้านนะยังมีความอะไรอาวรณ์อยู่เออท่านก็เปรียบเทียบคำมึ่งกับว่าจิตใจนี้มันยังชุ่มอยู่ด้วยอวิชาตัญหาอุปทานนั่นเองเหมือนไม้ที่มันเปียกชุ่มอยู่ในแม่น้นําลำคลองนั่นแหละเอาขึ้นมาแล้วมันแช่อยู่ในน้ําแล้วก็เอาขึ้นมมาบนฝั่งมันยังเปียกอยู่ยังชุ่มอยู่ยังอะไรอาวรณ์อยู่นะ ในบิดามารดาในเพื่อนสนิทมิตรสหายในสถานที่ที่เคยเกิดเคยอยู่นั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นการจะตัดห่วงตัดกังวลตัดอาความอะไรอาวร์ได้นะพระพุทธเจ้าก็ต้องท่านสอนว่าให้พิจารณาถึงความตายว่าชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตายนะเออเรามีญาติมีพี่มีแม่มีน้องทุกคนก็ตาย ญาติที่เรารู้จักกันก็ตายเราเกิดกันมาก็มารู้จักกันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองในที่สุดก็ต้องพัดภาคจากกันไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เออม่นจะจะอยู่ยืนยงคงไปตลอดการตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตายจะทํำยังไงล่ะเออถ้าเราไม่ต้องการตายพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราก็จะต้องไม่มาเกิดถ้าเราไม่มาเกิดก็ไม่ตายถ้าเรามาเกิดก็ต้องมีความตาย พระพุทธองค์จึงสแสวงหานะสแสวงหาความไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วจะได้ไม่ตายเพราะถ้าเกิดขึ้นมาในในโลกเนี่ยเห็นไหมว่ามันยุ่งยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างเลย เ, ออเกิดขึ้นมาแล้วมันมีปัญหามากมายนะแต่ว่าทําไมเราจะต้องมาเกิดก็เพราะเรายังยินดีอยู่ในโลกนี้อยู่จิตเรายังยินดีพอใจก็มาเกิดแบบมาเกิดเกิดมาแกแก่ก็เจ็บก็ตาย เวลาเราทุกข์เราก็อย่าไปโทษภายนอกเลยว่าเป็นเพราะสิ่งนู้นเป็นเพราะคนนู้นคนนี้มาทำให้เราเป็นทุกข์เราก็มามองด้านในว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นี้ก็คืออวิชชาตนาอุปาทานที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์เป็นเพราะว่าอวิชชาตนาอุปาทานในใจนี้เองนะทาให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ ถ้าใจของเราไม่มีอวิชชาตน า, าอุปทานแล้วความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นพระอรหันตเจ้าท่านไม่มีอวิชชาตนาะาอุปทานความทุกข์ก็จึงไม่มีในใจของท่านเมื่อท่านไม่มีอวิชชาตนาะาอุปทานเออท่านก็ไม่เกิดท่านไม่ไปเกิดในพรมโลกท่านไม่ไปเกิดในเทวโลกมนุษยโลกนะในอวัยภูมิท่านไม่ไปเกิดแล้วเมื่อท่านได้ พ, พระโสดาบันบุคคลในเบื้องต้นอวัยภูมิก็ปิดแล้ว ไม่ไปเกิดในอะภิญโภชแล้วนะภริยาบุคคลเบื้องต้นพระโสดาบันโซตะแปลว่าน้อมไปหรือผู้ทวนกระแสผู้ทวนกระแสโลกนะไปถึงกระแสแห่งธรรมะนะเมื่อถึงกระแสงธรรมะแล้วก็คือท่านเข้าใจแล้วว่าบาปนั้นเราควรจะละเพียรละบาปบุญนั้นควรจะต้องพยายามทำและกักษาไว้บาปนั้นที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามละ ก็คือมีความเปี่ย น, นท่านรู้แล้วท่านเห็นชัดแล้วแจ้งชัดแล้วว่าถ้าทําบาปแล้วบาปให้ผลขึ้นมาก็จะเป็นทุกข์เมื่อยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏะสงสารอยู่การเกิดในอวัยภมูมันเป็นทุกข์อย่างสาหัสสาการที่สุดเลยเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ไปเกิดในอวัยภุมเพราะท่านเข้าใจแล้วว่าถ้าทําบาปแล้วจะไปเกิดในอวัยวุมท่านไม่ยอมทําแล้วท่านจึงละบาป ไดเด็ดขาดแล้วก็บำเพ็ญบุญอยู่เสมอๆนะบุญก็คือการให้ทานบุญคือการสมาทานศีลบุญคือการที่เรามาฟังธรรมนั่งสมาธิปฏิบัติเนี่ยอะไรเป็นบุญท่านก็พยายามทํำอะไรเป็นบาปนะที่เป็นบาปอย่างหยาบท่านก็ละได้เด็ดขาดแล้วคือท่านก็มีศีลห้าเป็นปกติมีศีล8ดในวันอุโบสถศีลหรวันพระหรือวันหยุดแล่นก็มีศีล8 พิจารณาความตายอยู่เนืองๆว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี่ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเพื่อจะตัดห่วงตัดกังวลตัดความอะไรความยินดีในโลกปัญญาก็ย่อมจะเกิดขึ้นว่าโอ้ชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะสัญญาก็จะจําได้ว่าร่างกายนี้รูปนาม น, นี้ไม่เที่ยง รูปน้ำนี้เป็นทกกรูปน้ำนี้เป็นอนัตตาสมาธิธรรมก็ปรากฏขึ้นตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อสมาธิธรรมปรากฏขึ้นตั้งมั่นขึ้นการปฏิบัติภาวนานนก็ดีขึ้นมาแล้วความสงบของจิตเกิดจากการฝึกฝนดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้นะก็สงบขึ้นหรือเพียงนึกถึงว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอน นะจิตก็สงบเป็นสมาธิเรีว่าบริกรรมภาวนาแล้วก็น้อมจิตพิจารณาไปแล้วจิตก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิได้นี่ท่านก็ฝึกฝนอบรมอยู่เสมอหรือเราจะใช้ปัญญาอบรมจิตในเกิดสมาธิพิจารณาที่ว่าเรามีตาตาไปเห็นรูปอายตนะภายในภายนอกกระทบกันรู้สึกเห็นขึ้นมารู้สึกได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้ผลพระรู้ธรรมลม เป็นยังไงเกิดความรู้สึกยินดีบ้างเกิดความรู้สึกยินไล้หลวงปู่ชาก็สอนว่าเราต้องพิจารณานะแม่้จิตของเรายินดียินร้ายเมื่ออายตนะภายในภายนอกกระทบกันนี่กิเลสมันก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เราต้องระมัดระวังสํารวมอินทรีย์เรียกว่าอินทรียะสังวรสังวรอินทรีย์สังวรสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไว้ให้ดีนะเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วนี่เป็นอย่างไร เห็นไหมเราเดินทางไปไหนมีอันตรายเราอยู่ในป่าเราเดินก็ต้องระวังงูระวังสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นที่จะมีอันตรายต่อเราเราก็ต้องระมัดระวังเราเดินทางไปตามเดินการเดินทางขับรถขับราเราก็ต้องระมัดระวังนาทางน้ําทางบกทางอากาศเราก็ต้องระมัดระวังทั้งนั้นเพราะชีวิตไม่แน่นอนนี่อันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้เขาก็ตักเตือนให้เราระมัดระวังแล้วใจของเรารับรู้อารมณ์นี้ เราต้องระมัดระวังแล้วพผ่พุทธเจ้าลุงปู่ชาก็เตือนเราว่าให้เราระมัดระวังนะระวังให้ดีนะเออเรารับรู้มาแล้วเรารู้สึกยังไงเรายินดีมันก็จะปรุงแต่งไว้เกิดตัณหาอุปทานอีกเรายินร้ายมันก็จะเป็นอวิชชาตัณหาอุปทานอีกเกิดขึ้นอย่างนี้ใจของเราก็เลยไม่สงบแต่เรามีสติเราก็พิจารณานะก็เห็นว่าอารมณ์ที่เข้ามาเนี่นะ ยังเป็นอริจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละได้ยินแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักว่าได้กลิ่นเป็นต้นนะใจของเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะในสุขเวทนาทุกขเวทนาก็ปล่อยวางไปต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้นะเกิดความรู้ความมิ่นเข้าใจขึ้นในปัจจุบันเห็นธรรมะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคลนความเกิดความตั้งอยู่ดับไปตรงนี้เราจะได้เห็นธรรมะ เราปรารถนาว่าเรามาปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องการเห็นธรรมะเห็นธรรมะเราก็ต้องมาเห็นในปัจจุบันนี้เองลนะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในปัจจุบันนี้นะปัญจวัลย์ปัญญาเกิดนี้ถ้าเกิดปัญญายังไม่เกิดสติของเราไม่พอนะสติของเราไม่พอจิตก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ก็จะวิ่งไปกับความรู้สึกที่ยินดีกับยินร้ายตรงนี้เราก็ต้องฝึกกลับมามาพยายามเจริญสติ มีโอกาสเราก็มานั่งสมาธิทําจิตของเราให้มันนิ่งสงบเมื่อสมาธินี้ดีขึ้นสติของเราก็ดีขึ้นมาสติดีขึ้นสมาธิดีขึ้นปัญญาดีขึ้นศีลของเราก็ดีขึ้นก็จะหมุนไปเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญานี้นะก็เป็นอริยสัจนะว่าโดยการข้อปฏิบัตินะที่จะทําให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์ได้เพื่อให้จิตของเราถึงนิโรธสัต นะคือความที่เราละวางปล่อยวางนะละกิเลสทันหาไปแล้วไม่มีกิเลสทันหาสลัดคืนกิเลสทันหาทั้งหลายไปใจของเราก็เป็นนิโลดคราวนี้ทำภาษาลิพุตเถิละก็พิจารณาณธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงนะตั้งแต่ว่าถามทันทีข้นานักกับพาม่า เ, เธอเคยมาตายที่นี่แล้วนะตายหลายครั้งแล้วด้วยเ อ, อ แล้วก็คนนี้ก็มาถามความเห็นกันเมื่อทันทีคณานกขาพรามนี้สลดสมเวทใจนะ ส, สลดสมเวทใจแล้วจิตสงบนิ่งอยู่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็เลยถามต่อไปว่าพราหมณ์เธอมีความเห็นอย่างไรนะทุกคนก็จะต้องมีความเห็นของเขาเป็นของตัวเองว่าอย่างนั้นนะพรามณ์ก็มีความเห็นว่าสิ่งใดที่ควรแก่ดข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าชอบใจข้าพเจ้าก็ชอบสิ่งนั้นอะ สิ่งใดที่กัปปเจ้าไม่ชอบนะไม่ก็ไม่สมควรจะต้องได้สิ่งนั้นเมื่ออย่างนั้นอ่ะอืมคือมีความเห็นว่าสิ่งใดที่ถูกใจนะสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาชอบใจเขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งใดที่ไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ต้องการพระพุทธเจ้าบอกว่าเออความเห็นของพาม์ันนี้ก็ไม่สมควรนะไม่สมควรที่พาม์จะมายึดเห็นหรือมีความเห็นอย่างนี้เออทันทีคะน้ากับพาม์ก็เฮ่ทําไม ความเห็นของเราในดีที่สุดแล้วเพราะว่าเราจะได้แต่สิ่งที่ถูกใจแล้วก็เป็นสุขอย่างเดียวอะไรที่เราไม่ชอบเราไม่ต้องการเนี่ยเออเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมก็แย้งพระพุทธเจ้าไปออพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ารามความแก่ความเจ็บความตายาพามชอบไหมโอ้ไม่ชอบพระเจ้าค่ะไม่ชอบใจเลยในความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยไม่ชอบ มันทรมานมันทุกข์ทรมานนะมันไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาเลยเมื่อหลังกายนี่มันแก่มาแล้วนะมันแก่ขึ้นมาแล้วมันแก่มันหง่อมมันมีทุกข์ขึ้นมาทรมานทั้งนั้นนล่มันก็เจ็บขึ้นมานะนั่งก็ร้องโอยเดินก็ร้องโอยไปเรื่อยมันเจ็บแล้วเนี่ยนั่มันก็ตายก็ทุกข์ทรมานกว่ามันจะตายนี่ไม่ชอบใจแล้วไม่ชอบใจพรุทธเจ้ากเลทย้อนถามไปว่าแล้วเธอจะได้รับไหม ท่านทีฆะนะ้ากากามก็พิจารณาออสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เราต้องได้รับอืมเราต้องได้รับพระเจ้าค่ะเมื่อเธอไม่ชอบใจนะั้เธอได้รับเธอจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อเรานี่ไม่ชอบใจเราได้รับสิ่งเหล่านี้มาเราไม่ชอบเลยมาได้รับมันก็เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเท่านั้นเองาพามก็พิจารณาว่าโอเราเข้าใจผิดแล้วเราหลงเข้าใจผิดแล้ว เราไม่ชอบใจนะสิ่งใดเราก็ไม่ต้องการสิ่งนั้นถ้าเราได้รับเราจะเป็นทุกข์มากทรมานมากนี่เพราะเราไม่ชอบใจถ้าเราปรับความเห็นของเราสมัยยอมรับความเป็นจริงว่าความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นธรรมดาสิ่งที่เราได้รับรู้อารมณ์ทั้งหลายบางครั้งที่ไม่ชอบใจนั้นก็เป็นธรรมดาเราจะไปยึดจะไปมัน่นจะไปหมายเลยคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายเท่านั้นควรจะปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายอันนี้ นะท่านฟังแล้วท่านก็พิจารณาก็เลยได้ดวงตาเห็นธรรมะดวงตาเห็นธรรมก็คือสิ่งใดซึ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมดับไปมีความเกิดขึ้นดับไปรูปนาบะขันนามาขันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่เองนะทันทีขันธกระพมก็เลยเข้าใจความจริงตรงนี้หรือเป่าเกิดปัญญาภาวนาเมญปัญญาเกิดขึ้นมาจิตก็ได้ดวงตาเห็นธรรมปิดอวัยภูมิเลย มาเกิดอีกก็มาเกิดในมนุษย์นี่ไม่เกินเจ็ดชาติไม่มีชาติที่แปดนะก็ต้องสาเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วคราว น, นี้ทันทีขนก า, าพามเนี่ยนะจึงสรรเสริญพระพุทธเจ้าว่าโอ้เราหลงมานานแล้วพระองค์นี้นะเหมือนชี้ทางแก่คนที่หลงทางนะเหมือนการผายหายภาชนะที่คว่มอยู่แล้วให้หายขึ้นนะเรียกว่า ทำ ต, ตานี่ยสว่างขึ้นเมื่อคนตาบอดก็ตาดีขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะสนรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าได้ดวงตาเห็นธรรมะเกิดขึ้นมานั้นเองคราวนี้พระสับุตรเทระนาะพระสัททิปเทระฟังธรรมอยู่มีปัญญามากพิจารณาตามไปด้วยถึงสุขคเวทนาทุกขเวทนาพิจารณาธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าสอนเห็นไหมไม่จะถวายงานพัดอย่างเดียวนะ ออมือนี้ก็ถวายงานพัดไปใจก็พิจารณาธรรมะเมื่อพิจารณาธรรมะแล้วเป็นยังไงล่ะก็มรุเป็นพระอรหันนะเห็นธรรมสักวะธรรมแล้วเป็นพระอรหันเลยในขณะนั้นเององค์สนเดช菩萨สราสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศกันเดียวนะหลานขพระสาริบุตรเถระได้ดวงตาเห็นธรรมพระคราสาวกเบื้องขวาได้บรรลุเป็นพระอรหัน ในขณะนั้นที่ทำสุขละคาตาเชิงเขาคิดจกูดแขวงเมืองมคตนัอย่างนี้เป็นต้นเหนเ็นว่าการฟังธรรมเนี่ยด้วยดีย่อมเกิดปัญญาสุดทั้งปรปเตยพัญญังการฟังธรรมด้วยดีนี้ย่อมเกิดปัญญาเมื่อเรานี้เพียรปฏิบัติเมื่อเราเพียรพยายามภาวนานนฟังธรรมอยู่เรื่อยปัญญาของเรานี่ยจะเกิดขึ้นจิตของเราก็จะยกระดับขึ้น ในขณะ น, นี้เราก็อาจจะยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันบุคคลหรอกแต่ว่าในเบื้องต้นในเบื้องต้นจิตของเราที่มันหยาบขึ้นเพราะความเป็นปุถุชนคนหยาบเมื่อเราได้ฟังธรรมละใจเราได้สัมผัสกับธรรมแล้วความเชื่อของเราจะค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะมันจิตดวงนี้แนหะจิตดวงนี้เนะี่ยมันมีเกิดมีตายนะเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายเกิดตายแต่นะว่าจิตนี้มันไม่ตายสักทีนะมันก็ไปเกิดต่อไปเพราะว่ามีอวิชชา นะทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแต่เกิดเมื่อจิตยังมีอวิชชาตัณหาอุปทานอยู่มันก็จะพาจิตตรงนี้แหละเกิดขึ้นหมาไปเกิดอีกแล้วไปเกิดที่ไหนล่ะไปเกิดในอวัยภูมิก็ได้ในนรกเปรตะสุรกายสัตว์ฉานได้รับความทุกข์ทรมานก็ตัวอวิชชาตัณหาอุปทานในใจนี้เองที่มันหยาบนะมันก็พาไปเกิดที่ต่ำถ้าวิชาตัณหาอุปทานนี้มันดีขึ้นมานะแต่จิตเราพัฒนาดีขึ้นมามีกิเลสน้อย ก็จะพาจิตของเรามาเกิดในมนุษยโลกนี้นะนับมาเกิดที่ไหนล่ะก็มาเกิดที่มาพบกับพระพุทธศาสนาถึงจะอยู่แดนไกลในต่างประเทศนะประเทศทั้งหลายก็ยังกลับมาบวชกลับมาบรรพชาพระสมบัติ ห, หรือว่าได้ยินข่ขาวว่ามีพุทธศาสนามาสร้างวัดสร้างไว้ทตรงนี้ก็มาปฏิบัติธรรมถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะที่พึ่งก็จํานวนมากก็ชาวพุทธเรานี่แหละนะเกิดกลับไปกลับมาเป็นเมืองฝรั่งบ้างเมืองไทยบ้าง อย่างนี้เป็นโทษขับไปเกิดทินเดียบ้างก็แล้วแต่บุญวาสนาบา ร, รมีนึกกรรมที่ได้สร้างเอาไว้ให้ผลนั่นเองคราวนี้เมื่อจิตดวงนี้แหละทพัฒนาดีขึ้นไปเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลละบาปบำเพ็ญบุ ญ, ส, บญสนใจในการภาวนาปฏิบัติให้ทานรักษาศีอยู่เนืองอย่างนี้นะจิตก็พัฒนาขึ้นไปแล้วนะเป็นเทวปดา เป็นเทวดาในขณะที่มีกายเป็นมนุษย์นี้เองใจก็เป็นเทวดาแล้วตายจากมนุษย์นี้ก็กายขึ้นไปเป็นเทวดานั่นเองนะ่ะขึ้นไปนู่นขึ้นเป็นเทวดาท้าใดสมาธิหนักแน่นนี้ก็เกิดเป็นพรมได้นี่นี่เป็นต้นใจจะสูงขึ้นสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราต้องมาพัฒนาจิตใจตรงนี้ให้มันดีขึ้นเมื่อจิตใจดีขึ้นการงานภายนอกมันก็ละเอียดขึ้นดีขึ้น การอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ดีขึ้นเพราจิต ด, ดวงนี้มันดีขึ้นมาถ้าจิต ด, ดวงนี้มันเต็ไมไปด้วยความโลภความโกรธความหลงแล้วโอ้ประทานยึดมั่นถือมั่นนี่คือเราหนี่ของเราห น, นี่พวกเรานะมันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมามันไม่เกิดความสามัคคีเกิดความแตกแยกในใจของเราเกิดความแตกแยกในหมู่ในคณะเออเราทํางานที่เดียวกันก็แตกแยกกันยิ่งช้าริษยากันเพราะอะไรเพราะว่าใจที่มันมีกิเลส ใ จ, ใจที่มีความโกรธใจที่มีความโกรธความหลงนั่นเองนะ่ะนะมันทำให้นะใจของเรานี้เป็นทุกข์ใจของเรามันทุกข์ทรมานเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในใจเรามากเลยเราจะทำใจของเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นนิโรธได้แม้ชั่วข้าวก็ตามเราก็ต้องเดินตามหลักของการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักก็คือศีลสมาธินะแล้วก็ปัญญาเราก็จะได้พัฒนา ใจตรงนี้เนี่ยมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไ ป, นไปมันท่านทีคณกับผามเห็นไหมบารมีท่านเต็มแล้วท่านไปหาสถานที่ท่านยังไม่ตายน่ะยังไม่เคยตายพระเจ้าบอกไม่มีเอาเนิ้วจิ้มไปที่แผ่นดินนี้เธอกระตายมาหลายครั้งเอออย่างนี้เป็นต้นแต่บางทีเราก็จะไปพูดนะมีน้งตาองค์หนึ่งนะท่านไปจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็คงจะคิดถึงท่านทีคณกับผามนี่แหละท่านก็ไปอยู่ในถ้ำ เออผมก็จะมาตายที่เมืองการนี้เออเพราะว่าผมจะมาหาที่ที่ผมจะมาตายอันนี้พอดีว่าท่านไม่ได้พบพระพุทธเจ้านะถ้าท่านพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสอนเออเธอขึ้นมาตายหลายครั้งแล้วนะท่านอาจจะสลดสังเวชใจอย่างนี้เป็นต้นนะท่านอาจจะได้บรรลุธรรมขึ้นมาก็ได้แต่นี่พอดีว่ากรรมท่านกลับมาถึงนะฟ้ามก็พาลงมาถูกก้อนหินก้อนใหญ่ๆเนะี่ยทับที่ขา กระดูกนี่ก็แตกขึ้นมาด้วยนะท่านต้องนอนอยู่กับความทุกเขเวทนานั้นเออตั้งแต่กลางคืนนะตั้งแต่กลางคืนนะเย็นๆนั่นแหะไปถึงสองโมงเชา้าญาติโยมเขาไม่เห็นว่าท่านมาบินธบาติเขาก็เลยไปดูท่านก็ น, นอนจนว่ามันทอดอะไรในชีวิตแล้วนะมันทุกเขเวทนามากจนมันเกินทุกขแล้วนะจนสลบไปนั่นแหละนะจิตใจก็โอ้มันทุกขมากขนาดนั้นนะนะ อันที่สุดโดยมเขาก็มาช่วยกันได้นะท่านก็เลยต้องกลับไปรักษาตัวที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นแหละเนี่เมื่อว่าบางทีท่านจะไปตายตรงนั้นแต่ไม่ตายวิบากกรรมก็มาตัดรอนในการภาวนาของคนเราก็มีนะเออฟ้าผ่าลงไปทุกก้อนหินแล้วมาล่มทับเนี่ยมันก็เรียกว่าวินาทีนั้นทีเดียวที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็เรื่องบุพกรรมของท่านแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีธรรมะวิจานาอาจจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมก็ได้ เพราะอะไรเพราะวาชิตเนี่ยมันไม่แน่นอนอย่างนี้จริงๆอืท่านคติคันตะพามเพราพระพุทธเจ้าท่านสอนนะครับท่านก็เรียกว่ามีบุญวาสนาบารมีจึงรู้มาเห็นธรรมะนะพระสด็จบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่ถ้าสุกลัขาตาเป็นต้นเพราะนั้นพวกเรามีความเห็นอย่างไรเกิดขึ้นมานี้มีความเห็นอย่างไรรู้จักทุกนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะเป็นอริยสัจ4ข้อทุกขสัจ ถ้าทำยังไงล่ะเราจะไม่ให้มีทุกข์เกิดขึ้นมาในใจของเราเพราะใจที่มันทุกนี้มันเกิดจากกิชาติฐาอุปาทานเราจะต้องพยายามมานะมาละตัญหานะมาระตัญหาให้ได้ถ้าเราละตัญหาได้เป็นกิจที่สังขุละถ้าละตัญหาได้แล้วนั่นแหละนิ่โลทะก็จะเกิดขึ้นเลยใจของเราจะพ้นทุกได้นะเราก็ต้องะละเจรตัญหาได้เราต้องมาปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเรานี่แหละเดินหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็มาปฏิบัติธรรม มารวมกันนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติเดินอยมสวดมนต์ทำวัดภาวนามาปฏิบัติธรรมนี่แหละนะก็เพื่อที่จะทำใจของเรานะให้สงบให้นิ่งทำใจของเราให้มีสติทำใจของเรานั้นให้มีสมาธินะทำใจของเรานั้นให้มีปัญญาเกิดขึ้นเพื่อจะละตัณหาให้ได้ก็คอยพยายามตั้งจิตตั้งใจบงเพ็ญภาวนาแม้ระยะเวลาปฏิบัติของเรานั้นนะ จะมีเวลาน้อยก็ตามพยายามพู ด, ดน้อยๆนะพยายามนอนน้อยๆพยายามปฏิบัติให้มากทีเดียวนะสำรวมระวังเดินอย่างกรมนั่งสมาธิธรรมวสวนมนต์สำรวมจิตดูจิตของเราตามตุจิตของเราพัฒนาจิตของเราเราจะเห็นได้ว่าเออจิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนะี่ยมันคิดนึกไม่ขคยหยุดนะเออเราต้องจะมาฝึกให้มันหยุดทำยังไงต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคือ1นึ่แก้มันสงบเลย สองอาทิตย์จะให้สงบเลยไม่ได้ต้องใช้เวลาใช้เวลาสักหน่อยในการปฏิบัติต้องอดทนนะอดทนพยายามเพียรพยายามพิจารณาแล้วจะเกิดธรรมะขึ้นมาจะได้ละตัณหาที่ตัณหามันมีขึ้นมาแล้วนะมันจะไม่ยอมหยุดหรอกนะตอนนี้เราก็เหมือนไม้มันยังชุ่มอยู่ในน้ำก็ตามเราอยู่บนบกแล้ววันหนึ่งมันก็จะเหือดแห้งไปได้วันหนึ่งไม้นะั้นมันจะแห้งแล้วไม้แห้งแล้วนะ ไม้ยางมันก็ไม่มีแล้วมันก็จะติดไฟได้ดีนั่นเองนะเขาต้องมาปฏิบัติธรรมนั่นเองจึงขอให้พวกเราตั้งจิตตั้งใจให้เจริญใกกนธรรมท่กการทุกทุกท่านเถิด